พวกเราคงจําได้ว่าเมื่อพระเจ้ากาลังจะปรปนิพพานก็ได้ให้ประชิมโอวาทว่าวยะธรมมาสังคาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอภปป ม, ปปมาเทนะอภมาเถนะสัมปะเทสะท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัปปิชมวาจานี้เป็นพระวจามีในขั้นสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าวยธรรมาสังคาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็ ถ้าโยงมาสู่ตัวเรานะมันก็หมายถึงชีวิตของเรานะในสุดก็ต้องมีวันจบสิน้นท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดบางทีท่านก็แปลว่าท่านทั้งหลายจงทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ในที่นี้ก็หมายถึงทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นปัจฉิมวาจาเป็นเหมือนมรดก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 ลูกหลานแต่พระพุทธเจ้าท่านใช้โอกาสที่เหลืออยู่น้อยนิดเพื่อพูดในสิ่งที่สำคัญเป็นข้อความสั้นๆนะไม่มากแต่ว่ากินใจความมากเหลือเกินเพราะว่าอัประมาท ธ, ธรรมหรือความไม่ประมาทนี้พระเจ้าจัเคยจัว่ามันเหมือนรอยเท้าช้างที่รอยเท้าสัตว์ทุกชนิด ก็รวมลงอยู่ในรอยเท้าช้างก็คือครอบครุมนะรอยเท้าทั้งหลายในป่าเป็นอุปมาว่าอุปมาธรรมนี้เป็นธรรมะที่ครอบครุมธรรมะทั้งหลายของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะมารวมลงที่ความไม่ประมาทไม่ประมาทก็หมายถึงว่าขวนขวายทำความเพียร น, นะทำกิจนะที่มีอยู่ให้ถึงพร้อมให้สาเร็จเสร็จสิ้นแต่ในบางโอกาส เมื่อพระเจ้าจัดถึงหรือปารบถึงความไม่เที่ยงพระเจ้าก็จัดอีกแง่หนึ่งนะที่เด่นชัดก็คือที่เป็นภาษิต ท, ที่เราที่พระสวดเป็นประจำในงานศพนะอันนี้จาวัตสังคาราอุป า, าเวรธมิโนนะอันนี้จ้าวัตสังคารานี่ก็ชัดอยู่แล้วนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป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 ผู้เรื่องความไม่เที่ยงของสังขารแต่ว่าตอนนึงก็บอกว่าให้ทําความเพียรไม่ประมาทแต่อีกตอนนึงก็บอกว่าให้ปล่อยวางขัดแย้งกันหรือเปล่าไม่ได้ขัดแย้งนะอันแรกนี่ก็ในเรื่องการทํากิจทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหรือทําประโยชน์ให้ถึงพร้อ ม, อออมด้วยความไม่ไมประมาทนี่เป็นเรื่องการทํากิจ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 กินข้าวจบกินข้าวเสร็จแล้วฉันก็จะตายอาจจะตายได้เนี่ยอันนี้ยังประมาทอยู่แต่ต้องคนที่คิดว่ากินข้าวสี่ห้าคำแล้วอาจจะตายเก็ยังประมาทนะต่อเมื่อคิดว่าเนี่ยกินข้าวยังไม่ทันหมดคําก็อาจจะตายได้เนี่ยหรือว่าหายใจเข้ายังไม่ทันหายใจออกก็ตายหายใจออกยังไม่ทันหายใจเข้าก็ตายอันเนี้ถึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนี่ท่านพูดขนาดนี้เลยนะก็สอดคล้อกับภาะสิทธิเบดนสะบอกว่า ระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อนอย่าไปคิดว่ามีพรุ่งนี้ก่อนแล้วค่อยมีชาติหน้าที่แบบนี้ประมาทนะเพราะว่าอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้ก็ได้นะพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยในโลกนี้เนี่ยมีคนประมาณแส0ห้าหมนคนที่วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเขาประมาณ 150,000 ห้าหมนคนนะ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 ที่โคราชเมื่อ21ปีก่อนเนี่ยมันจะมีปัญหาเรล่านี้มากขึ้นนั่งเครื่องบินจะกลับบ้านนะอยู่ในเครื่องบินก็ระเบิดกลาง อ, าา ย, อย่างเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะที่บินจากฮอนแลนด์นะจะมาออสเตรเลียก็ไปไม่ถึงตายยกลำเลย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 รู้แน่ว่าความตายใกล้ามาถึงนะก็ต้องพร้อมที่จะปล่อยวางเพราะท้าไมปล่อยวางแล้วมันจะเกิดอาการที่รัดทุรนทุราลบางทีความทุรนทุราลเนี่ยไม่ใช่เพราะความเจ็บความปวดหรือทุกขเวทนาของร่างกายนะในหลายกรณี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 พ่อก็ยังอักกระสับกระส่ายเทปสวดมนต์ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเพื่อนสนิทมาถึงนะพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไปพูดข้างหูกับผู้ป่วยบอกว่าเนี่ยไอ้โบสที่ยังสร้างไม่เสร็จไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยกัสร้างให้เสร็จบอกว่ามนไปโดนใจนะผู้ป่วยแกก็หยุดเลยนะหายกระสับกระส่ายเลยแซวแกเป็นห่วงนะ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 มันก็เป็นโทษได้เหมือนกันนะอย่าไปคิดว่ายึดติดเงินเป็นโทษแต่ยึดติดบุญกุศลนี่ไม่เป็นโทษนี้อันนี้ไม่จริงนะถ้ายึดติดแล้วก็ขณะที่กำลงกังจะตายนี่มันมันก็ทิมแทงใจมันกลายเป็นภาระแต่พอเพื่อนพูดแบบนี้เข้านะเพื่อนก็พอเพื่อนรู้ใจพูดแบบนี้เข้าแกก็ปล่อยวางเนี่ยพอปล่อยวางแกก็ไปสบายไม่กิไม่รังแล้วแกก็ตายสงบนี่เห็นไหมว่าความยึดติดเนี่ยนะ ต อ, ตอนใกล้จะตายนี่มันจะสร้างความทุกข์ทรมานมากบางคนก็ยึดติดในเรื่อ ง, งบางคนปล่อยวางไม่ได้นะมีความรู้สึกผิดรู้สึกผิดอย่างมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคุณลุงนะเ ป, นเป็นพ่อของเพื่อนใกเจ้าชู้นะมีเมียน้อยก็เลยทะเลาะ ก, กับเมียหลวง แล้วก็ลูกสาวถึงขั้นทาร้ายลงมือทาร้ายทั้งตบตีทั้งเมียทั้งลูกสาวแล้วก็ตอนหลังก็ไปอยู่กับเมียเมียน้อยแต่พอตัวเองเป็นอัมพึกขึ้นมาคงเป็นเพราะว่าเส้นเลือดในสมองแตกเลือสักอย่างเนเป็นอมัมพาตกับมาพาดเมียน้อยไม่สนใจแล้วก็เลยต้องกลับมาอยู่ดูแลอยู่ในการดูแลของเมียหลวง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 น่าจะรับรู้ได้เขาพูดไม่ได้แล้วโยมก็ว่าตามอาตมาว่าในใจนะแล้วก็พูดว่าเนี่ยการบันไดที่ล่วงเกินภรรยาและลูกสาวนะด้วยการด้วยวาจาด้วยใจก็ดีทั้งรู้ตัวไม่รู้ตัวทั้งเจตนาไม่เจตนาก็ขอให้ขอขามาในในการขอขามากรรมเหล่านั้นขอให้กรรมเหล่านั้นเป็นโหส์สีพูดทํานองเนี่ยนะ บอกว่าคนไข้ก็ก็มีอาการที่เห็นได้ช้ามีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลังจากนั้นวันนั้นแหละแกก็ไปเลยอันนี้ก็แสดงว่าแกคงติดค้างเรื่องติดค้างในใจนะเรื่องสามีอะเรื่องภรรยาแล้วก็เรื่องลูกสาที่คงทําอะไรไม่ดีเอาไว้ก็ยังเสียใจแล้วแกปล่อยวางไม่ได้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 ในขณะที่ยังกลายความตายอยู่มันก็ยังมีเหตุการณ์ที่กระทบใจสิ่งที่ทำให้เกิดขัดอกขัดใจสิ่งที่ทำให้เกิดความสูญเสียพสิ่งที่เป็นความพัพดพลาดสูญเสียทําไม่ถาไมปล่อยวางก็ก็เป็นทุกข์โกรธแค้นเศร้าโศกน้อยเนื้อต่าใจซึ่งมันก็ทำให้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 การปล่อยวางสําคัญมากเดี๋ยวให้ามาปล่อยวางตอนใกล้าตายก็ไม่ได้นะมันต้องฝึกปล่อยวางตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ยังมีสุขภาพดีนะบางคนประมาทนะรากว่าตอนนี้ฉันไม่ปล่อยมาปล่อยเอาตอนใกล้จะตายเนี่ยอันเนี้ยอันเรียกประมาทมากนะแล้วถึงเวลาก็ปล่อยปล่อยไม่ได้เพราะว่าคนเราพอใกล้าตายนี่แม้ว่าสังขารแม้ว่าร่างกายอ่อนแรงนะแต่ว่ากิเลสเนี่ย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 ปล่อยวางอะไรนะปล่อยวางความคิดปล่อยวางอารมณนะ์ถ้าไม่ถ้าไม่มีสติที่ว่องไวปราดเปรียวนะมันจะยึดในอารมณ์มันจะยึดในความคิดนะแม้แต่เล็กๆน้อยๆก็ยังไม่ปล่อยไม่วางมันจะยึดตะพื้นตะพืเลยปล่อยวางเรื่องซัพ์นี่ก็ฝึกด้วยการให้ทานถ้าให้ทานเป็นนะให้ทานเพื่อสละจริงๆก็จะฝึกให้ปล่อยวางทรั์แต่ถ้าปล่อยวา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 ยังอยากจะรักษาตัวกูให้เป็นอมตะเป็นนิรัน์ก็เลยกลัวความตายไงหรือว่าบางทีก็กลัวว่าตัวตนจะดับศูนย์นะตายแล้วตัวตนจะดับศูนย์ก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ไอ้ความกลัวนี้เป็นเพราะว่ายังมีความยึดมั่นในตัวตนสูงมากที่เ้าเรียกว่ารักตัวจึงกลัวตายรักตัวกลัวตายเนี่ยมันความหมายง่ายหนึ่งคือเพราะรักตัวจึงกลัวตาย ถ้าที่รักตัวได้พ่อจะมีความหลงมีความหวงแหาในตัวตนแต่ถ้ามีปัญญาเห็นแล้วว่าตัวตนมันไม่มีจริงมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมามันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจและรูปกับนามนั้นก็ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนะเมื่อเห็นเมื่อมีปัญญาเห็นมันก็ปล่อยวางปล่อยวางความยึดมาในตัวกูของกูมันก็มีแต่พอเวลาตายก็มีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายแล้วจะกลัวได้ยังไง แต่ถ้ายัางทําไม่ได้ถึงขังน้นนี้อย่างน้อย ก, ก็ฝึกสติเอาไว้แล้วก็ฝึกปล่อยวางนะในชีวิตประจําวันของเราบางทีมันไม่ยอมปล่อยนะมันยังหวงแหนเอาไว้แต่พอลองลองนึกถึงความตายดูสิพอลองลถึงความตายนี่มันจะช่วยทําให้คลายเช่นหวงแหนทรัพย์สมบัติเนเสียดายเงินเสียดายโทรศัพท์ถูกขโมยไปแต่พอนึกถึงความตายมันก็จะได้ระลึกว่า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 หรือแม้แต่คนไกลตัวก็ตามอาจารย์โกวิกวเค น, นันทาเคยเล่านะอาจารย์โกวิศนี่ก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์วัตถาแล้วก็หลวงพ่อเทียนเป็นนักวาดเป็นศิลปินที่มีชื่อมากรุ่นเดียวกับหลวงพ่อคำเขียนะยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าป่วยแล้วถ้าเร า, าตอนเป็นพระเนี่ยเคยไปพมา่าไปพมา่านี่ก็มีพระชาวไทยใหญ่เนี่ยช่วยเป็นนักขันตุ ก, กะนะชื่อพระสาย พระสานี่ก็พาไปหลายที่แล้วก็วันหนึ่งก็ไปพาไปที่เจดีเชเวดกองอุอาจารย์เกเดชอบมากเลยนะเจดีเชเวดกองเนี่ยงดงามแต่ที่ไม่ชอบคือพระสานี่อยากจะถ่ายรูปอยากจะให้ถ่ายรูปให้ถ่ายรูปคู่อาจารย์กดนี่ไม่ชอบเลยนะเรื่องการถ่ายรูปแบบแฟชั่นเนี่ยก็เดินหนีนะเดินหนีเลยนะพระสานก็มาตามแล้วก็บอสเนี่ยมาถ่ายเธอเพราะว่า ชาตินี้อาจจะได้เจอในครั้งเดียวหลังจากนี้ไปอาจจะไม่ได้เจอกันเลยก็ได้อาจารย์กก็ได้สติขึ้นมาเลยนะเออคนเรานี่เจอกันวันนี้วันหน้าก็อาจจะไม่ได้เจออาจจะล้มหายตายจากไปก็เลยตกลงอ่ยอมทำตามพระสายนะอยากถ่ายรูปคู่ก็ถ่ายรูปคู่นะเสร็จ แ, แล้ววันลุงขึ้นก็กลับเมืองไทยใมกี่วันต่อมาก็ได้จดหมายนะจากพม่าบอกว่าพระสายมาณลภาพนะ อาจารโกวิกลวเออไอที่เราตัดสินใจนี่ถูกแล้วนะเพราะถ้าเกิดว่าไม่ทําตามถ้าเกิดว่าเอาความเห็นของตัวเ อ, เอาความต้องการตัวเองก็อาจจะเป็นการขัดใจพระสายก็อาจทําให้เกิดความเสียใจไม่ใช่พระสายเสียใจแต่วันตัวเองก็จะเสียใจ ด, ด้วยว่าเนี่ยเนะขาอุตส่าหนะ์มาช่วยเป็นไกด์อะไรเพียงแค่นี้ทําให้เขาไม่ได้ในการเลิกถึงความตายก็ทําให้ท่านเนี่ยได้ทําได้ตัดสินใจสิ่งที่ถูกต้อง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 ให้เธอเนี่ยไปหาที่บ้านตอนเย็นหน่อยแต่ว่านักธุรกิจคนนี้แกบอกว่าแกกำลังวุ่นนะงานกำลังเยอะไม่มีเวลาจะคุยด้วยแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะไปหาที่บ้านตอนเย็นด้วยฉันกำลังยุ่งนะไม่มีเวลาแล้วก็วางหูปรากฏว่าวันลงค้นก็ทราบว่าเนี่ยายาคนนั้นที่โทรศัพท์ไปเนี่ยฆ่าตัวตายผูกคอตาย ถ้าเธอก็เสียใจมากนะเธอเชื่อว่าถ้าเธอให้เวลากับอ่าหญิงคนนั้นได้คนนั้นแล้วก็ยอมสียเวลาไปไปหาที่บ้านหน่อยก็คงจะรู้ว่าหญิงคนนั้นเขาตัดเขาคิดอะไรอยู่ในใจเขาอาจจะท่าปรามทักท้วงไม่ให้ค่าตัวตายหรือถ้าฟังเธอระบายเธอก็อาจจะสบายใจอยู่ทั่งตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายก็ได้ถ้าเธอก็เสียใจนะ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 อบางทีถ้าเราตระหนักสักหน่อยนะว่าคนที่เราเจอคนที่เราพบปะคนที่เราพูดคุยเจอกันครั้งนี้พูดคุยครั้งนี้อาจจะไม่ไดเจอกันอีกถ้าที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปเราจะไม่เราจะไม่ทําตามใจตัวแต่ว่าเราจะใส่ใจเขาและการที่เราใส่ใจเขาเนี่ยอาจจะมีอ น, นิสงส์มากสามารถจะช่วยให้เขาไม่คิดสั้นก็ได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ทางโลกลว้ลวนๆเลยนะสาหรับคนทั้งหลาย ซึ่งได้ประโยชน์จากการซึ่งสามารถจะได้ประโยชน์จากการเจริญมรณาสติหรือการริกถึงความตายนะถาในแง่ที่กระตุ้นให้ไม่ประมาทและในแง่ที่กระตุ้นให้รู้จักปล่อยรู้จักวางอาคำนี้ก็พูดเกเท่านี้นะกราบพระ